พอเพื่อเงาว่าคิดที่เราจะตายเคยโทรมาหาใครน้อมาหายปากใจไม่ค่อยตรงกันชอบปล่อยให้เงาให้ใจเราทอ้อให้คอยให้รอนานๆไม่มาไม่โทรให้ลอสักคำชอบทำให้มันหวังเวงโอ้สุดที่รักโคตรเบื่อถึงนะักไม่ยา ในอที่เธอจะเปลี่ยนยไม่ใส่ไม่ดีโคตรส่ง ดูใจของฉันดูมันเอาไว้ไอคนที่มันรักเธออย่าทำให้ทอ้อให้ลงรอเกอ้อเธอควรจะคิดถึงใจกันถ้าคำว่ารักยังมีความหมายอย่าหายหน้าไปนานๆไม่มาก็โทรฮัลโหลสักคำอย่าทำให้มันโ้อรเส็ง เนัไม่อยากรักแล้วมันเซ็งโทรไปหาได้ฟังแค่เพลงรอสายรอสายจนอีโอ้สุดที่รักโคตเดือเธอนักเฝ้ารอจนชัเจเลียนเมื่อไรนอที่เธอจะเปลี่ยนนิสัย เธอนี่ว่าฉันละเซ่งคนโถ